ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเจริญอะไรต่อไปหมายความว่าเมื่อแยกแยะชีวิตโดยความเป็นาธาตุหกก็เป็นโดยเป็นภาษายตนาหกก็ได้แล้วใช่ไหมโดยเป็นมโนปวิจารสิบแปดก็ทําอย่างนี้ได้หมดแล้วแยกแยะอย่างนี้ได้ดีแล้วซึ่งก็เท่ากับอะไรปริญญายาตะปริญญาเนี่ยบริบูรณ์ดีแล้วพวกนี้เป็นยาตะปริญญานี้พระองค์ก็บอกว่าคนเรานี้มี ที่ควรตั้งไว้ในใจสี่หนนึ่งสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจอันหนึ่งคือปัญญาสองสัจจะสามจากขะสี่อะไรนอกปะสมะคำว่าเ มีปัญญาเป็นที่ควรตั้งเอาไว้เนี่ยอันนี้หมายถึงสมาธิปัญญากับวิปัสนาปัญญาอันนี้อันนี้ควรตั้งไหมนะควรตั้งเอาไว้อย่างนี้แล้วต่อไปบอกว่าอะไรมีสัจจะเป็นควรตั้งเอาไว้ก็คือมีวจีสัจจะอะมีวจีสัจจะ ตั้งไว้เพื่อปรมาทสัจจะวจีสัจจะนี้หมายถึงอธิศีและสิกขานะว่ามีอธิศีลสิกขาตั้งศีเนี่ยเพื่อพระนิพพานนั้นก็กุโสธรรมที่เจริญเนี่ยนะโน้มตั้งไว้เป็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนั้นคำว่สัจจะตรงๆหมายถึงวจีสัจจะแต่วจีสัจจะนี้เพื่อ ประมาทสัจจะที่เป็นนิพพานามีจาคะเป็นสิ่งที่ควรตั้งเอาไว้จาคะหมายถึงประหานะทั้งหลายมีตทางค่าประหารเป็นต้นเนี่ยนะมีจาคะที่ควรตั้งเอาไว้ตั้งไว้เพื่ออะไรประหารนะนะเพื่อการละเนี่ยนะมุ่งไปเพื่อการละแตจแล้วก็มีอุปสมะ อุปสมะเนี่ยเป็นชื่อของการสงบกิเลสเนี่ยนะสงบกิเลสเนี่ยถามว่ามุ่งสงบแค่ไหนท่านบอกว่าสงบด้วยอรหัตตมักเ น, เนี่ยก็คงพอมองออกนะว่าปัญญากับสัจจะเป็นชื่อของเป็นการเจริญกุศลธรรมไง เป็นลักษณะพาเวตาประธรรมเป็นพาเวตาประธรรมจาคะเป็นปหาตประธรมรมเนี่ยนะปหาเนเป็นธรรมกล่าวถึงธรรมที่ควรละแล้วก็อุปสมะ เ, เป็นสัจชิกาตาประธรรมควรทำให้แจ้งเพราะอะไรเพราะปริญยาธรรมก็ได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่แรก ต้องไม่ไม่ลืมไว้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมในะอย่างไรก็ตามนะจะไม่พน้นปริญญาไม่พน้นฐานะไม่พน้นทําให้แจ้งไม่พ้นการเจริญอ่ะไม่มีพ้นสี่ประการนี่หรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละ ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเจริญสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะก็จะมีอยู่ไม่ไม่พ้นหลักการอาจจะแสดงวิธีต่างๆก็ตามเพราะการแสดงธาตุหภาษายตนาหมโนปวิจารสิบอันนี้ก็เป็นลักษณะของปริญญาเนี่ยนะลักษณะของปริญญาพอกล่าวถึงปัญญากับสัจจะก็เป็นภาวนาเป็นสิ่งที่ควรเจริญตั้งเอาไว้นะตั้งเอาไว้นั้นก็เพื่อจะคะมุ่งการละเป็น สำคัญแล้วในที่สุดก็ต้องทำให้สงบให้ได้อันนี้เป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเลยใช่ไหมตั้งไว้เป็นข้อปฏิบัติก็คือพระองค์ค่อยๆเบนให้เห็นก่อนใช่ไหมเบนให้เห็นว่าเบนให้เห็นถึงการกำหนดรู้การเจริญการละการทำให้แจ้งเนี่ยนะละเนี่ยนะ หกร้อยแปดสิบสองแปดสิบสองยังหกนี่นะครับยังไม่ได้ที่บายเลยหกร้อยแปดสิบสองนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่เรากําลังพูดมาเพิ่งข้อหกร้อยแปดสิบสองคือช่วงหลังมาเนี่ยมันเป็นการเอามาย้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ แต่ว่าก่อนที่จะมาดูการเอามาย้ำในตอนท้ายเนี่ยมาดูคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งในหน้า367ย่อหน้ า, าไม่ต้องย่อหน้านะบอกว่าปฏิฐานะที่เรียกว่าอธิฐานในบทนี้ว่าจตุราธิฐานโนความว่ามีอธิฐานสี่มีอธิบายว่าดูก่อนภิกษุ บุรุษนั้นมีาธ 6, มาตุมีภาษะมีภาษาภาษายตนะหมีมโนปวิจารสิบดังนี้กุลบุตรนั้นเวียนกลับจากาธาตุนี้เทียวถือเอาอารหัตอันเป็นสิทธิที่สูงสุดดำรงอยู่ในฐานะสีน่นี้ถือเอาพระอรหัตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีอธิฐานสประการเพราะอธิฐานธรรม4ประการเนี่ยนะคือปัญญาสัจจะค่ะ ปสมเนี่ยนะจะเป็นคุณธรรมที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็อธิษฐานธรรมเหล่านี้จะทำให้เป็นพระอรหันต์บทว่ายัตถิตังได้แก่ดำรงอยู่ในอธิษฐานธรรมเหล่าใดแล้วก็ไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนเป็นไปเป็นต้นเนี่ยนะมูนิสันโตติวุจติมูนิผู้พระขีนาศพเรียกว่าผู้สงบแล้วดับแล้วันผู้สงบอย่างแท้จริงผู้ดับอย่างจริงก็หมายถึงพระอรหันต์ ทนี้คำที่ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาในข้อหกร้อยแดิบสามที่กล่าวเมื่อกี้ว่าที่ผู้การพูดว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูณจาะพึงศึกษาสันตินั้นซึ่งพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาคําว่าปัญญาเป็นชื่อของอะไรเนะ สมาธิปัญญากับวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะที่ในหน้า367ยอยหด่อหน้าที่บายว่าบทว่าปัญญานับปัจฉยะความว่าไม่เพิงประมาทสมาธิปัญญาและวิปัสนาปัญญาตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อแทงตลอดอรหัตผลปัญญาเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นการเจริญพวกนี้เพื่อเจริญสมาธิและวิปัสสนาก็เพื่ออรหัตผลนะ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องหลงประเด็นนะเพราะงั้นบทว่าสัจจะมนุรักษยะความว่าเพื่งรักษาวจีสัจจะตั้งแต่ต้นเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งประมัทสัจจะคือนิพพาน <Okay. S 1> คำว่าวจีสัจจะตัวนั้นเนี่ยนะคือหมายถึงการชำระศีลบางอย่างนะคำอธิบายบางส่วนเนี่ยเอามาโนดนมาจากดีกาบ้างนะมันก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอามาจากไหนบ้างะนะบอกที่มาหมดเดี๋ยวเวียนหัวไปหมด เน้นอธิศีนเอ่อเน้นอธิศี น, นเนี่ยนะวจีสัจาจะนี่หมายถึงการชําระศีล ก, ก็คืออธิศีนที่เพื่อกระทำให้แจ้งปรมัตทสัจจะคือนิพพานบทว่าจะาฆ่ามนุเอ่อพรหยะความว่าเพึงพ่อพูนการเสียสละกิเลส ต, ต, ตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อทำเอ่อเพื่อการสละกิเลส ท, ทั้งปวงด้วยอหัตตมัรถ์หลังคำว่าสละกิเลส ต, ต, ตั้งแต่ต้นหมายถึง แต่ทางค่าประหารวิขขมพนะประหารใช่ไหมสละกิเลตั้งแต่ต้นด้วยแต่ทางข่าประหารวิขมพนะประหารหสละกิเลททสลเล ท, ทั้งปวงก็เป็นสมุทเชทประหารระดับอรหัตตมักเนี่ยนะบทว่าสันติเมวโสสิกขยะความว่าเพ่งศึกษาการสงบระงรับกิเลสตั้งแต่ต้นเทียวเพื่อสงบระงรับกิเลต ท, ทั้งหมดด้วยอรหัตตมัชก็น่นะเพราะว่า ตัวจาค้าที่เป็นตทางข้าประหารวิขมพนะประหารมันก็ค่อยสงบกิเลสมาอยู่แล้วใช่ทีนี้ถ้าสงบกิเลสได้จริงๆเนี่ยนะต้องระดับอรหัตตะมักแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ที่จะสงบกิเลสได้ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะสงบจริงถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์สงบจริงไม่ไดถ้ถ้ายังมีขันเป็นอารมณ์อยู่นะสงบกิเลสไม่ได้จริงสงบเฉพาะขณะนั้นนะแต่ว่ายังไม่สงบจริง สงบกิเลสโดยสิทธิ์เฉทอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นสมุทเฉทประหารอย่างเดียวปฏิปัสสติเป็นชื่อของสามัญญผลนิสารณาเป็นชื่อของนิพพานก็ด้วยอรหัตตะมักอรหัตตะมักเนี่ยมักว่าเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าเป็นสมุทเฉทประหารเป็นสมุทเฉทเนี่ยนะ สราระกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตธรรมก็เป็นสมุทเฉทประหารแต่กอ็อย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าเพิ่งติดพยัญชนะในแง่ตรงนี้เกินไปนะักเพราะว่าธรรมะเนี่ยนะลักขณะหาระก็ต้องมาอยู่แล้วลนะ่ะถ้าพูดแต่ทางข้าประหารวิขำพระนาประหารสมุทเฉทประหารปฏิปัสสทติประหารกับนิสรณประหารก็ชื่อว่าอยู่ในนี้อยู่แล้วเนี่ยนะ เว่าถ้าพูดข้างหน้าข้างหลังก็เท่ากับพูดอยู่แล้วนะถ้าพูดซ้ายก็ขวาก็เท่ากับพูดอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปุปปาภาคาทิฐานทั้งหลายปุปภาคแปลว่าเบื้องต้นอธิฐานแปลว่าทาที่ควรตั้งไว้เนี่ยนะทที่ควรตั้งไว้เบื้องต้นมีสมถวิปัสนาเป็นต้นอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุอธิฐานทั้งหลายมีปัญญาิฐานเป็นต้นเป็นยังไง แปลเป็นภาษาไทยไทยง่ายๆว่าเจริญสมถาวิปัสนาที่เป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์บรรลุปัญญาที่เป็นโลกุตระอันนี้โดยอัฏฐานนะมีอธิบายไว้อย่างนั้นไม่แปลกใจเลยทําไมเขาไม่ค่อยอ่านอ่านแล้วเข้าใจยากไงนะคือไม่รู้ว่าข้างในลึกๆคืออะไรอย่างนั้นอย่างบอกว่าอะไรนะ อธิฐานเบื้องต้นมีสมถาวิปัสนาหรือว่าปุปภาคาที่ฐานทั้งหลายมีสมถวิ ป, ปัสนาปัญญาปเป็นต้นนี้อันนี้หมายถึงสมถาวิปัสนาที่เป็นโลกิยะเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุอธิษฐานทั้งหลายมีปัญญาที่ฐานเป็นต้นอันนี้ต้องเป็นโลกุตระพันจริญโลกิยะเพื่อให้ถึงโลกุตระถ้าพูดอีกในหนึ่งอ่ะนะก็คืออธิธจริญอ ธ, ธิจิตตสิกขาอธิ ปัญอะทิจิตสิกขาหรืออิจิตาวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามขายาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัทสนวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ญาณทัทสนวิสุทธิเนี่ยนะแปลว่าเจริญวิสุทธิที่เป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์แก่วิสุทธิที่เป็นโลกุตระนะลักษณะนี้ก็ได้ บทว่าปัญญาที่ฐานโนเป็นต้นพึงทราบด้วยอำนาจแห่งปัญญาทั้งหลายมีอรหัตผลปัญญาเป็นต้นที่กล่าวแล้วในบทก่อนบทนี้เป็นอันกล่าวถึงบทว่าอันเป็นธรรมะที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปด้วยอำนาจแห่งมาติกาที่ตั้งไว้แล้วแต่ขั้นบรรลุอรหัตพระอรหัตแล้วกิดด้วยคาว่าไม่พึงประมาทปัญญาเป็นต้นไม่พึงมีอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางมาติกาที่มีธาตุกลับกันแล้วเพื่อจะทรงจำแนกวิพังด้วยอำนาจตามธรรมะเท่านั้นจึงตรัสคำว่าไม่พึงประมาทปัญญาเป็นต้นด้วยประการชนีถามว่าในบาค่าถานั้นน่ะใครประมาทปัญญาใครไม่ประมาทปัญญาอนะประมาทสมาธิปัญญากับวิปัสสนาปัญญาเนี่ยใครประมาทใครไม่ประมาทตอบว่าบุคคลใดบวชในาศาสนานี้ก่อนแล้ว สำเร็จชีวิตด้วยอเนสนา21บ็ดมีการรับใช้คารวาดเป็นต้นนั่นแหละด้วยอำนาจกรรมมีเวชกรรมแปลว่าไปแย่งอาชีพหมอทรหน่นงานะไม่อาจเพื่อตั้งจิตตุบาทโดยสมควรแก่บรรพชาบุคคล น, นี้เชื่อว่าประมาทปัญญาบวชเข้ามาแล้วเนี่ยทำแต่ปรุงแต่ยาเป็นต้นนนะก็ไปทำกิจที่พระพุทธเจ้าตำหนิหรือว่าผิดพระวินัยทั้งหลาย น, นะมีเช่นรับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับบวชเลยนั่นนะใครมีลูกมีล้านเอามาฝากที่นี่นะอย่างเงี้ยเพราะเพื่นนี้ก็ไม่สมควรใช่ไหมพวกนี้แหละเรียกว่าผู้ประมาทปัญญาบุคคลใดบวชในาศาสนาแล้วตั้งอยู่ในศีลเล่าเรียนพระพุทธพจน์สมาทานทุดงอันเป็นที่สัปายะ คือกรรมฐานอันชอบจิตหมายคือว่าเหมาะกับทายาศัยเนี่ยนะอาศัยเสนาสนะอันสงัดกระทํากสินบริกรรมยังสมาบัติให้เกิดเจริญวิปัสนาว่าในวันนี้แหละจากบรรลุผ่ารหัสเที่ยวไปบุคคล น, นี้ชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาพวกนี้ก็มุ่งเจริญอธิสีและสิกขาอาธิ จ, จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขามุ่งอรหัตผลอยู่ทุกวันเนี่ยนะเรียกว่าผู้ไม่ประมาทปัญญาแต่ถ้าทุศีลเป็นต้นเรียกว่าผู้ประมาทปัญญาเนี่ยนะ ก็ประมาทจริงๆอ่ะนะก็เจริญเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวอายุมากๆก่อนแล้วค่อยมาเจริญก็ได้เหมงอนนวันนี้ประมาทปัญญามยอะแต่ในพระสูตรนี้ได้ตรัสถึงความไม่ประมาทปัญญานั้นด้วยอํานาจแห่งธาตุกรรมฐานส่วนคําใดที่พึงกล่าวในธาตุกรรมฐานนั้นคํานั้นได้กล่าวไปแล้วในพระสูตรทั้งหลายมีหัตถปโทรปรมสูตรเป็นต้นในหนก่อนนั่นแหละคือที่ อัตกถาจะไม่ค่อยขยายแล้วเพราะถือว่าขยายไว้ก่อนหน้านั้นมากแล้วคือในสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะเป็นสูตรท้ายๆเกือบจะจบเล่มอยู่แล้วในบรรดาร้อยกว่าสูตรเนี่ยนะทั้งหมดมัชฌิมนิกายมีอยู่ร้อยห้าสิบสองสูตรสูตรนี้สูตรเกินร้อยมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนหน้านั้นถือว่าพูดไว้หมดแล้วอันนี้อัตกะถานะถ้าเรียนโดยมาโดยลําดับก็คิดดูนะมัชฌิมนิกายมีกี่เล่มฉบับ ท, ที่เราใช้อยู่จังเกตมีกี่เล่ม เจ็ดเล่มนะเล่มสิบเจ็ดถึงเล่มยี่สิบสามีอยู่เจ็ดเล่มอันนี้มันอยู่เล่มลยี่สิบสามแล้วนะบางเรื่องอยู่เล่มที่โน้นนะอยู่เล่มสิบเจ็ดบางอย่างอยู่เล่มสิบแปดบางอย่างอยู่เล่มสิบเก้าก็ไปอ่าน้วก่อนหน้านี้ก็แล้วกันเหมือนกันอันนี้พูดแบบอัตกถานนะของเราก็อย่างนี้แหละเดินหน้ามากก็ลืมหมดแนละ้วมาจากไหนบ้างก็ไม่ทราบทีนี้อย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทปัญญามาดูในหน้า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 ถ้าใครที่น้อมไปพิจารณาโดยความเป็นาธาตุหกอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทในปัญญา น, นะไม่ประมาทในปัญญาด้วยการเจริญาธาตุหกให้ปัญญาเนี่ยเล่นไปในาธาตุหกก็ถ้าตั้งคําถามเป็นโจทย์ง่ายๆว่าวันนี้ใครคิดถึงใครโดยทมเป็นาธาตุหกมั่งคิดถึงตัวเองว่ า, าธาตุหกเท่านั้นนะอย่างเงี้นยนะใส่ใจแบบนี้ไหมคุณบรรจุออถ้าใสา่ใจงี้เรียกวไม่ประมาทในธาตุนะอะเรียกว่าไม่ประมาใทานนะาามมาในปัญญานะ ก็ไปสายใจนะเออคนที Entonces, ่นั่งข้างหน้าข euh ้างหลังก <Thank you. S 1> <iled> ็ธาตุหกทั้งนั้นนะเออแต่ลืมอย่างนี้ด้วยก็ดูก่อนพิสูปปฐวีธาตุเป็นฉไนคือปฐวีธาตุในภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีก็ปฐวีธาตุภายในเป็นฉไนได้แก่สิ่งที่แข่นแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยไส้ใหญ่สายร่าไส้อาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข่งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปฐวีาธาตุภายในปฐวีาธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แลเป็นปฐวีาธาตุทั้งนั้น คือจะภายในร่างกายดังกล่าวที่แล้วก็ตามภายนอกก็ตามทั้งหมดนั่นก็เป็นปัทวีธาตุเพ่งเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายในปัทวีและจะให้จิตคลายกำหนัดในปัทวีธาตุได้คํานี้นะฟังแล้วเป็นทั้งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหา a นะปริญญาเบ็ดเสร็จหมดเลยในข้อ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 ไม่รู้แสดงทําไมเพราะปุกุสาติเนี่ยท่านละแผ่นดินอาณาเขตเป็นร้อยยอมาไม่อะไรมาเลยอ่ะนะแก้วแหวนเงินทองราชสมบัติท่านสละออกมาได้ไม่รู้จะพูดให้ละทําไมในภายนอกเพราะท่านละมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือปฐวีภายในอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าที่จะต้องล ะ, ะนะส่วนภายนอกเนี่ยละมาหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วอ่ะนะขนาดมาถึงเมืองราชครึกเนี่ยไม่บอกตนเองว่าตนนี้เป็น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 คืออาปโปธาต์ภายในก็มีภายนอกก็มีก็อาปโปธาต์ภายในเป็นไงนะ <c oughs> ก็ได้แก่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบกำหนดได้มีในตนอาศัยตนก็ดีสเลตน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี่เราติดปัสสาวะด้วยหรื อ, อยึดติดไหมหรือไม่ติดก็ดื <c oughs> ่มปัสสาวะเป็นยาใช่ไหม ก็ลองปัสสาวะไม่ออกดูดิ <c oughs> หรือบริโภคไปแล้วไม่มีปัสสาวะเลยเนี่ยนะเดือด <Be ard S 2> ร้อนอีกนะงเราก็ติดนะคือมันติดจนเขาบอกว่าเอาทงปัสสาวะออกเถอะอย่างไงนะด้านน่ะจะเริ่มรู้ว่าติดจริงๆหละแต่ถ้าแต่ยังยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะั้นเหมือนไม่มีติดนะนะแต่จริงๆติดจนเนี่ยอะไรนะเพราะมาชอบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสคําว่าโอคะเนี่ยนะเมื่อก่อนไม่ไม่เคยซึ้งแล้วตอนหลังให้ซึ้งมาก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 มันติดหมดทุกเรื่องอ่ะนะขอให้รู้เธอว่าเกี่ยวข้องกับภายในกายเนี่ยติดหมดอ่ะเนี่ยนเข้าเพือิดต้องกินทุกวัน น, น, <c oughs> นพวกอาโปธาตเหล่านี้นะก็หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดอะไรที่เ อ, อิบอาบซึมซาบกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปธาตภายในก็อาโปธาตทั้งภายในและภายนอกนี่แหละเป็นอาโปธาตทั้งนั้น เพิ่งเห็นอาโปทาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายในอาโปทาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดในอาโปทาตุนะต้องมาย้ําบ่อยๆนะว่าดีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะนะเศรษอะไรนะหมอว่าไรนะน้ำคัดหลังใช่ไหมเศษเศษนั่นนะเสมหะเนี่ยนะ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานั่งย้ำให้หมดเลยนะทั้งสีิสองอันเนี่ยนะถ้านั่งย้ำ ม, มาละแปดสิบเก้ารอบเนี่ยนะด้ดีแน่นอนเลยนะนั่งย้ำไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะคือย้ำให้มันจริงๆนะไม่ใช่จริงๆเลยนะไม่ใช่เลยเนี่ยนะย้ำจริงๆนะน่าเชื่อว่าบรรลุแน่เพราะแต่ว่ามันก็ของเราอ่ะนะในที่สุดนะ <c oughs> อ่เนอ่ยเออ ก็มันไม่น้อมไปจริงอะนะถ้าน้อมจริงมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆอะเชื่อก็พระองค์ยังตรัสเลยใช่ไหมว่าเห็นไม้เห็นท่อนไม้ไหมล่ะมันจะต่างอะไรจากท่อนไม้ข้างนอกอ่ะนะอาจีรังวัตยังกาโยปัตวิวิงอธิเสสติจุดโทเปตวิญญาณนิรัตทั้งวักลิงครังเนี่ยนะบอกว่าไม่นานเนาะร่างกายนี้มันก็จะท่องท่วมทับซึ่งแผ่นดินเนี่ยนะบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้ แล้ววิญญาณคิดหรือมันจะอยู่อีกนานเนี่ยนะมันจะเห็นอันนี้ไม่นานก็จะเหมือนกับท่อนไม้ท่อนเฟินถ้าลองหลับสนิทจริงๆนะต่างกันไหมจะคล้องเผลอเลยนะอีกคนหนึ่งไปดูเออมันต่างอะไรจากท่อนไม้ท่อนเฟินเนี่ยนะพานธ์ก็ถ้าถ้าเห็นโดยชอบจริงๆเนี่ยนะสามารถที่จะตัดฉันธราคะได้ก็แต่ถ้าเมื่อก่อนในะอ่านก็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 คือเตโชาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็เตโชาธาตภายในเป็นไนได้แก่สิ่งที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือาธาตุที่เครื่องยังกาให้อบอุ่นยังกายให้สุดโอมยังกาให้กวนกวายและธาตธาติที่เป็นเหตุให้ของกินที่กินเนี่ยที่ดื่มเคี้ยวลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดีอันถือว่าการย่อยทั้งหมดในร่างกายนี้ถือว่าปเตโชาธาตเป็นหลัก หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แลเป็นเตโชธาตทั้งนั้นเพึงเห็นเตโชธาตานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายเตโชธาต และจะให้จิตคลายกำหนัดเตโชธาตได้มันก็พไฟข้างนอกเราก็ไม่ติดเท่ากับไฟภายในสัพทารา่นะลองดูมันอุ่นน้อยหน่อยกว่านี้สักนิดหนึ่งนะเดือดร้อนอีกใช่ไหมมันร้อนเกินกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็เดือดร้อนอีกนะครับเพราธาตุภายในกายเนี่ยในความอบอุ่นในร่างกายในเราติดข้องมากมา ก, มากเลยอันนี้คงให้ตามเห็นนะว่า ธาตุไฟที่ทําให้แก่ลงทุกวันทุกวันนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเนี่ ย, ยก็ไล่ดูทุกวันทุกวันดูย้ําบ่อยๆคำว่าไม่ใช่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะต้องต้องไม่ลืมนะว่าโดยอัตทะนั้นหมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่อื่นนี่บอกไว้แล้วแต่ตรงนี้สูตรนี้ก็คือไม่ได้บอกไว้เพราะที่อื่นบอกไว้บ่อยมากเกินไปนนนก็เลยเดี๋ยวจะซ้ํำซากมากนักไหนว่างกัน เพราะว่าถ้าขยายตามขยายทุกที่ขยายเหมือนเดิมไปหมดเลยเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นโทษของการเขียนคัมภีร์ <c oughs> เรียกว่าพูดคําซ้ํำซากเกินไปนะ บ, บางคนก็บอกอย่างนี้นะก็บอกว่าหลักการเขียนหนังสือที่ฉลาดคือว่าให้คนอ่านครั้งเดียวแล้วกําหนดได้ตลอดไปเนี่ยนเรียกว่าักคนเขียนนั้นฉลาดมากเพาะงั้นนะอาจารย์หนังสือวละกี่ชั่วโมงครับ ไม่ได้เข้าเรื่องที่กำลังพูดอยู่เลยเดี๋ยวเดียวใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกนิดเดียวดูก่อนพี่สุก็วายโยธาเป็นไนะคือวายโยธาภายในก็มีภายนอกก็มีก็วายโยธาภายในเป็นไนะได้แก่สิ่งที่พัดผันไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในลาไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะนอ้อยใหญ่ลมหายใจออกหายใจเข้า หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่พัดผันไปกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวายโยธาภายในก็วายโยธาทั้งภายในและภายนอกนี่และเป็นวายโยธาทั้งนั้นเพิ่งเห็นวายโยธาตนนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงถ้าเป็นบาลีนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเนี่ยหมายว่าสมโุ ป, ปัสนาเนี่ยนะก็คือเห็นด้วยวิปัสสนานั่นแหละ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 ซึ่งถ้าผู้ที่เป็นสายสายบาลีอะไรเลยจริงๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคำนี้เป็นอนุปัสนาเนี่ยนะก็ตามเห็นตามเจริญตามเพ่งอย่างนั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าเจริญอนุปัสนาอยู่แล้วดูก่อนพิสุจ์ก็อากาศสาัทธาเป็นฉนะคืออากาศทธาภายในก็มีภายนอกก็มีก็อากาศทธาภายในเป็นฉนะได้แก่สิ่งที่ว่างปลุกโปร่ปรงกาหนดได้มีในตนอาศัยตนคือช่องหูช่องจมูกช่องปาก ซึ่งเป็นทางให้เกลืน่นช่องปากซึ่งเป็นทางให้เกลืนของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มเป็นที่ตั้งของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและเป็นทางระบายของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วออกทางเบื้องล่างก็คือทางเดินลำไส้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอากาศสาต์ใช่ไหม mm. ทางเดิอนอาหารน่ยนะทางเดิอนอาหารทั้งหมดเลย หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดะใดที่ว่างปุโปร่ปรงกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอากาศสัทธาธภายในก็อากาศสาตธทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นอากาศสาทธทั้งนั้นพึ่งเห็นอากาศสัทธานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็อากาศสัทธาธเนี่ยบางว่างอย่างที่คุณหมอว่าเล่าให้ฟังบ่อยๆใช่ไหม เดี๋ยวมันก็ตีบบ้างเดี๋ยวมันก็ตันบ้างอ่ะนะอากาศทธาท์มันไม่ใ่อ่นะตั้งแต่หลอดอาหารลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ <im itation> เดี๋ยวมันก็ตีบบ้าง <im itation> เดี๋ยวก็ตันบ้างเ <im itation> ดี๋ยวมัน <im itation> ก็กลืนกันเองบ้าง <im itation> เป็นต้นนะ <im itation> เพราะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอะไรเพราะไม่มีอํานาจอะไรอย่างแท้จริงในอากาศทธาท์ช่องว่างเหล่านั้นเหล่านั้นเลยเนี่ยนะคืออากาศทธาท์เนี่ยมันเป็นช่องว่างอ่ะนะ คือที่เรียกว่ามันเป็นรูปเพราะมันไม่รู้อารมณ์มันมันเป็นอสภาวะรูปหน้าอากาศาธาตุเนี่ยเพราะไม่มีใครเห็นอากาศได้แต่ว่าที่รวมเป็นอากาศเพราะมันอยู่ระหว่างคือที่สนใจตรงนี้ไหมคราบว่าเราเข้าไปมีอุปาทานในในในช่องว่างเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับ เคยที่ที่เรายึดติดถือในช่องว่างเนี่ยเพราะเยาเรายึดถือไอ้ธาตุสประการนะไอ้ช่องว่างมันอยู่ว่วางระหว่างธาตุสี่ปัทวีอาโปโตเตโชและวายโยใช่ไหมเมื่อมันช่องว่างอันนั้นเราก็เลยยึดติดด้วยเอาง่ายๆ่ ง, งี้นะเวลาเราหกปากอ้าปากมันจะมีช่องว่างว่างอยู่นั่นถ้าลองมันไม่ว่างดูสิอ่า น, นะเลือดร้อนแน่นะ จ, จมูกของเราที่หายใจยอยู่เนีย่ยถ้าเกิดมันลองไม่ว่างดูสิอ่า น, นะเลือดร้อนอีก กลืนอะไรลงไปนั้นลองมันติดอยู่ข้างล่างนะมันไม่ว่างอ่ะนี่มันกลืนไม่ลงนี่ก็เดือดร้อนอีกมันไอ้คือบางบางอย่างเนี่ยนะฮะความว่างเนี่ยนะฮะบางคนไปติดว่าต้องว่างมากว่างน้อยถูกไหมครับใช่ว่างมากถึงจะดีว่างน้อยก็ดีหรือบางอย่างใช่ไหมว่าง ว่างน้อยถึงจะดีว่างมากไม่ดีอะไรจำนองนี้ใช่ไหมใช่เช่นช่องจมูกไหมถ้าใครช่องจมูกอะไรก็ว่าไปตามนั้นแะว่างแล้วมันเห็นมากๆมันมัไม่ดีใช่ไหมว่างเกินก็ดูกรวงมาเลยนะก็เตืร้อนกันคือที่ยกอันนี้มาเนี่ยนะหมายความว่าจริงๆแล้วนี่เป็นอาสภาวะนะลักคิดดูดีนะคือคือสิ่งนั้นอาสภาวะแต่ว่าเนื่องจากว่ารอบบริเวณมันมีสภาวะอย่งแห่งอุปาทานถูกไหมครับเพื่อที่จะต้องละอันนี้ด้วยที่ละละเอียดหมดเลยอะ ก็ต้องคือช่องว่างเหล่านี้นะจริงๆมันเราติดมากๆเลยลองกลืนอะไรไม่ลงดูสิอะไรจะเกิดขึ้นลองมันไม่มีอากาศสาทธาหมายคือว่ามันไม่มีช่องนะนะมันติดมันตันมันอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เราก็มีปัญหาละสรุปว่าถ้ายังจิตให้คลายกำหนัดในมหาพูดแล้วนะอากาศก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะอากาศมันเป็นช่องว่างระหว่างมหาพูดเหล่านั้นนั่เองแสดงท่านแสดงไม่เหลือเลยคือไม่ให้ติดแม้แต่อันเดียว ส่วนเนื้อหารายละเอียดตอนหลังไปเนี่ยเป็นอารูปกรรมฐานคือตั้งแต่ข้อหกร้แปดีถึง688้แปดดนะพวกนี้เป็นรูปกรรมฐานเป็นการแสดงรูปกรรมฐานรูปกรรมฐานที่กล่าวนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะแสดงทั้งสมถะและวิปัสนาอย่างท่านปุกุสาตินี่มีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ตอนต้ น, ตนจนได้ฌานในตอนหลังพ้นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ฌานได้ อื่นๆนะปฐวีธาตุอย่างผมก็ต่อด้วยนีลกสินได้เล็บก็ต่อด้วยโอทาแต่กสินเป็นต้นได้เพราะเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาสมถะก็คือปรารภในธาตุหรือโดยความเป็นกสินถ้าวิปัสนาก็ตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเป็นต้นส่วนอรูปกรรมฐานนี่ก็คงก็แล้วตปเหตุปัจจัยกันแล้วกันไม่บอกวันไหนละเดี๋ยวมันจะผิด เลยเวลาแล้ว